เในวันที่ยี่สิบหกตุลาคมพศสองพันห้าร้อยเก้านักวัดฟาบ้านตาด จ, จังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมพันธ์ก 3, ารนำพระกาส น, นาเขาสู่หัวใจคนรนู้สึกว่าลำบากไม่นอนลำบากขัง้งพูดกีจะ ให้รวาดสังสอนเพื่อให้ธรรมะเข้าถึงจิตถึงใจผู้ศึกษายากทั้งพูดที่จะฝืนจิตฝืนใจตัวเองปฏิบัติต่อธรรมเพื่อประโยชน์แก่ตนเองโดยเฉพาะและส่วนรวมทั่วทั่วไปเพราะตามธรมรมดาของจิตจะต้องไหลลงสู่ที่ต่ำเสมอ มีการหักห้ามกันบังก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องผืนชงักขึ้นมา ท, าทันทีพอจะเป็นการผืนใจเพื่อความดีจากตัวเองใจจะรู้สึกชนะหรือไม่จะไม่ค่อยจะสบายภายในใจแต่ถ้าจะปต่อไปตามอารมณ์ที่เคยเป็นมาและเป็นค่าสุดทั้งปัจจุบันและอนาคตด้วยแล้วรู้สึกว่าราบหลุด เมื่อเป็นเจนนั่นธรรมะซึ่งเป็นของศักดิ์สิทธิ์วิเศษสำหรับท่านผู้รู้ผู้เห็นธรรมะจริงๆนะนำมาสอนพวกเราอย่างสี้คือลำบากเพราะเราไม่เคยรู้เคยเห็นว่าธรรมะนั้นคืออะไรรสแห่งธรรมะนั่นคื อ, อเป็นอย่างไรบ้างไม่เคยเข้าสัมผัสจิตใจให้รับความสุขความสบายพอจะทราบกระแสะแห่งธรรมะว่าแม้เพียงเท่านี้ก็ได้รับความ สายจากการปฏิบัติธรรมะไหนจะให้ทราบซึ้งถึงธรรมะส่วนละเอียดและมีค่ายิ่งยวดขึ้นไปนั้นจะให้สนใจได้นี่นน ย, ยากที่ตรงนี้การกล่าวทั้งนี้ไม่ได้กล่าวเฉพาะท่านผู้หนึ่งผู้ใดเพราะใจของคนเราที่มีกิเลสด้วยกันแล้วจะต้องเป็นเช่นนั้น ไม่ว่าผู้ฟังหรือผู้แสดงแต่ธรรมะนั้นยกว่าเป็นของมิสุจิมีเป็นธรรมดาของจิตที่มีายต่ำเป็นเจ้าเรือนอยู่ภายในใจต้องเป็นเช่นนี้ายต่ำความหมายถึงสิ่งที่จะ สุดลากตัวของเราเลงให้เป็นคนอับเฉาทั้งความทั้งสุขภาพภายในจิอับเฉาทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องอะไรมาเกี่ยวข้องก็เป็นเรื่องที่จะให้จิตของเราเลยรับความอับเฉาไปด้วยขุ่นมัวเป็นทุกข์ไปด้วย พวกนี้แลเป็นเจ้าเรือนและเป็นผู้ครองอำนาจอยู่ภ า, ายในจิตใจนั้นธรรมะจึงทราบซุ้มทราบเข้าไปถึงจิตใจนั้นไะ้อยากหากไม่ฝืนเปิดช่องเปิดประตูรับธรรมะคือการปฏิบัติตามด้วยความด้วยความฝากฝืนปฏิบัติตามด้วยความฝืนใจจะเป็นส่วนหยาก ส่วนไหนกว่าต่างการปฏิบัติธรรมะล้วนแล้วแต่เป็นการฝืนทั้งนั้นเพราะธรรมะจะเป็นไปในทางวิวัตะคือทวนกระแสะโลกส่วนจริงที่เป็นเจเรือนอยู่ภายในนี้คือเรื่องของมะตะอัตต์อยู่ด้วยดีหมุนรอบอยู่ภายในตัวหมุนรอบอยู่ภายในพบจะเป็นการมาพบรูปประพบอรูปประพบ นี่เป็นเรื่องของมัตตะที่มีฝังอยู่ภายในจิตใจกลายเป็นมัตตะของจิตไปนอกจากนั้นก็เป็นมัตตะของภพของชาติจะเปลี่ยนกันไปเรืเลยเป็นสัตว์แล้วมาเป็นบุคคลเป็นคนแล้วเป็นสัตว์เป็นอินเป็นโฉมเป็นเทวดากลับกลายมาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์สุขแล้วทุกข์ทุกข์แล้วสุขสับปนกันอยู่เช่นนี้ หมุนกันไปเยยนกันมาในภพนั้นชาตินี้อยู่อย่างนี้นี่ทันเรียกว่าลักษณะของวตตะเป็นอย่างนี้แต่วิวัตะนั้นหมุนไปเพื่อจะออกจากโลกแห่งความหมุนเย็นทีนี้เราผู้ปฏิบัติธรรมะแต่ละท่านละท่านก็ไม่เคยเห็นว่าวิวัตะเป็นอย่างไรรสชาติของวิวัตตะจึงไม่สามารถจะทราบได้ แล้วจะมีความพอใจโดยไม่ต้องฝืนในการปฏิบัติธรรมะเพื่อวิวัตะได้โดยสะดวกอย่างไรบ้าง ห, หลักใหญ่อยู่ที่นี่สรุปความลงแล้วกการปฏิบัติธรรมะรู้สึกว่าเป็นการลำบาก ว่าหน้าที่การงานอย่างื่นเพราะอันนี้เป็นเรื่องทวนกระแสธรรมะไม่ได้เป็นความเห็นไปตามความสำนึกของจิตที่มีกิเลสแต่ทวนกระแสแห่งความสานึกของจิตที่มีกิเลสทั่วๆไปทั้งนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็ขัดแย้งกันแต่การขัดแย้งของธรรมะนั้นขัดแย้งเพื่อจะปลดเปลงสิ่งเหล่นั้น อ, อ ของการขัดแย้งของกิเลสที่เป็นเรื่องของวัตตานั้นเป็นการที่จะผูกมัดเข้าไปโดยลำดับเพื่อความทุกข์ความทรมานความมุนเย็ยนเปลี่ยนแปลงอยู่ในโลกทั้งสามโดยไม่มีจบสิ้นได้เกิดว่าเป็นไปอย่างนั้นอนันตการหาสถานีที่จอดแวะหรือยับยังจากความเป็นภพเป็นชาติไปไม่นาน ที่ว่าธรรมะที่จะเข้าถึงจิตถึงใจนี่เป็นเรื่องยากยากอย่างนี้ศาสนาที่จเจริญมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงบัดนี้ให้เราทั้งหลายได้เห็นได้ยินได้ประพฤติปฏิบัต นั่าว่าเป็นบุญญาคาของพวกเราซึ่งไม่มีความสามารถโดยลำพังตนเองจะขุดค้นธรรมะซึ่งเป็นของประเสริฐให้มาปรากฏช่องทางพอได้ประพฤติปฏิบัติตา ม, มัเมื่องจากพระพุทธทเจ้าพระองค์เดียว ที่ทรงฝืนวัฏฏะโลกนี้กลายเป็นวิวัตะขึ้นมา่ายในใจทุกๆประโยคที่พระพุทธ เ, ทเจ้าทรงบําเพ็ญมาแต่ครั้งที่ยังไม่ไตรัสรู้หรือทรงบําเพ็ญมาเป็นลํำดับในภพชาตินั้นๆจนกว่าถึงบันตรัสรู้นี่เป็นเรื่องที่พระองค์ท่านในฝ่าฝืนบึกบึนมาเป็นลําดับลำดับ จนถึงเวาราสุดท้ายก็ฝากฝืนกันอย่างเต็มที่ปรากฏว่าเหมือนประหนึ่งมะโลกสะเทือนที่บำเพ็ญบาเพ็ญก็มาในขาดหมายว่าป่าชาของพระพุทธาของพระสิทธะราชกุ ม, มารซึ่งกำลังบำเพ็ญเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้านั้นอยู่ที่ไหน นี่เป็นเรื่องที่อศัศจรรย์มาเป็นนักนี่แสดงมาเป็นความฝืนพระไทยทั้งนั้นสิ่งที่เคยรักต้องรักสิ่งที่เคยสงวนต้องสงวนพระลูกรักพระชายาพระชนกชนนีพระญาติพวงศ์ใกล้ฟ้าประชาชนล้วนแล้วแต่เป็น สมบัติของพระองค์ท่านจะไม่ทรงมีความอะไรเสียดายอย่างใดการเสด็จออกไปปฏิบัติ บ, ตบำเพ็ญพระองค์อยู่เช่นนั้นจึงเป็นการฝืนอย่างหนึ่งที่โลกมันสามารถจะฝืนได้เหมือนอย่างพระองค์ท่านนี่นอกนั้นยังจะต้องฝืนจิตฝืนใจในขณะที่ปฏิบัติจะต้องมีการประวัติคิดถึงอดีตอตีตาลมคืออารมณ์ที่ผ่านมาแล้ว เ, เกี่ยวกับทางพระราชาฐานบ้านเมืองนี่จะต้องฝืนจิตฝืนใจตัดพระไทยไปเป็นลาดับลำดับไม่ให้กังวลเกี่ยวข้องกับถิ่นเหล่านี้นอกจากจะบําเพ็ญพระองค์ให้สมเจตนาที่ม่งไว้เท่านั้นการบําเพ็ญทั้งนี้ล้วนแต่เป็นการฝืนจงกระทั่งได้ตรัสรู้ขึ้นมาแล้วความฝืนก็หมดปัญหาไป เราไม่มีสิ่งใดจะมายืแย่งอีงแล้วมีสิ่งใดจะมาทำการจีดขว้างหมดถ้าวัดอุปสรรคก็หมดไปสิ่งที่เคยก็ควรก็ไทยก็หมดไปนี่แหละแม้ได้ทรงทำความปรารถนาไว้ว่าจะเป็นศาสดาเพื่อสอนโลก แต่พอได้ตรัสรู้แล้วเห็นว่าธรรมะนี้เป็นของละเอียดลึกซึ้งมากถึงกับทรงท่อพระไทยเนื่องจากทรงวิตกว่าธรรมะซึ่งเป็นของละเอียดมากขนาดนี้กับคนที่มีที่เลสเช่นเราท่านท่านแล้วไหนเลยจะมาสามารถรู้ได้ จะสอนอะไรเขาให้เขารู้เรื่องเขาคงไม่รู้มี่ที่ให้ทรงทอดพระทัยไม่อยากสอนสัตว์ทำความพลายน้อยอยากจะอยู่ลําพังพระองค์เดียวพอถึงอายุไขแลว้ววรรณะไปเสียท่านั้นเนื่องจากเห็นธรรมะเนี่ยเป็นของละเอียดกับโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งหยาบหยาบเต็มอยู่ภายในกายในวิชาในใจเหมือนกับเป็นคนละโลก แจะเข้าได้ย่างไ่สอนก็เสียรประโยชน์เปล่าๆพรามันพอเป็นประโยชน์ดีไม่ดีเขาจะหาว่าพระสิทธสารอาภัพพุทธเตจ้านั้นเป็นบ้ามาเนี่อีกตรงนี้นน พ, นพิจารณายย้อนกลับไปกลับมาก็มาเห็นช่องทางโดยที่เอาพระองค์ท่านเป็นสักขีพยานขึ้นมาว่าแม้ทมจะเป็นของละเอียดมาก จนเห็นว่าจะสุดวิสัยของโลกที่จะรู้ตามได้ก็เราก็คนคนหนึ่งเช่นเดียวกับโลกทั่วท่วไปมนุษย์ทั่วทั่วไปเหตุใดเราจึงสามารถรู้ได้แต่ก่อนเราไม่สามารถที่จะรู้ธรรมะประเภทนี้ใบัดนี้ทาไมจึงรู้ได้ว่าธรรมะอัศจรรย์ขนาดนี้ว่าไม่มีใครจะสามารถรู้เราทำไมรู้ได้อย่างนี้รู้ได้เพราะเหตุใดย้อนเข้าไป ข้อไม่หนีจากปฏิปธาก็รู้ได้ด้วยข้อปฏิบัตินั่นแลคือเหตุเหตุ ด, ดำเนินโดยถูกต้องผลต้องปรากฏขึ้นมาจึงไ้ทรงสนพ ร, พระไทยที่จะสอนบ ร, รรดาศัตร์ทั้งหลายต่อไปภาษาของเราก็เียกว่าพอใจที่จะสั่งสอนโลกว่าอย่างไรต้องรู้รได้ถ้ามีข้อปฏิบัติและดำเนินตามหลักข้อปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วอย่างไรต้องรู้ได้ ดังที่เราปฏิบัติมานี้แสดงว่าปฏิบัติมาโดยถูกต้องไม่เช่นนั้นจะไม่เห็นผลอย่างนี้ปรากฏเป็นความอาจารย์ขึ้นมาได้เลยทรงถือหลัก่อปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญเกิดท่าเมตตาขึ้นมาความทอพระไทยก็ลดน้อยถอยลงไปมีแต่ความเมตตาสงสารสัตว์โลกภายในจิตใจ แล้วก็ทำการปร ะ, ประกาศสอนสัตว์โลกเรื่อยๆมาที่เดียวองต้ตนก็แสดงแจกพระเป็นจกกักรวิกีทั้งหาท่านเหล่านี้เป็นผู้เตรียมพร้อมอยู่แล้วที่จะปฏิบัติและรู้เห็นตามพระองค์ทรามพอมาแสดงให้ฟังทอานั้นก็รู้เห็นตามถหงนตามไปอย่างรวดเร็วเียว <c oughs> เป็นสกีป ย, ยานแห่งความละเอียดของธรรมะ แล้วว่าได้ถึงสติภายใจิตใจของสาวกอย่างเต็มภูมิเห็นสาวกแล้วคือถึงภูมิอรหันต์ที่เป็นความรู้สุกหมดจดโดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าฉะนั้นการปฏิบัติพระาศาสนาจึงถือหลักความถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญมากผู้สอนจะสอนสุม 4, สีุ่มห้า โดยให้ผิดจากหลักธรรมคำสอนอันถูกต้องของพระพุทธเจ้าจะไม่มีประโยชน์อะไรที่จะยังพะศาสนาให้เจริญสืบทอดกันมาได้ด้วยความราบรื้และถูกต้องและจะไม่ทำประโยชน์อะไรให้โลกได้รับความร่มเย็นเป็นสิทปฏิปทาเครื่องดำเนิน จึงเป็นเข็มทิศทางเดินเพื่อมักผลเป็นชั้นๆขึ้ น, นปัตอิพระพุทธเจ้าท่านสอนมาก็สอนด้วยความถูกต้องปฏิบัติมาโดยความถูกต้องสาวกได้รับถ่ายทอดจากพระพุทธเจ้ามาทั้งทางด้านจิใตใจคือความบริสุทธิ์และธรรมะที่จะนําออกแสดงแก่บรรดาสัตว์โลกทั่วๆไปก็สอนมาด้วยความถูกต้องเป็นลําดับมา ผู้ปฏิบัติถ้าให้คาดเลื่อนจากหลักปฏิปทาที่ชอบตามขั้นตามภูมิของตนแล้วก็ยากที่จะเห็นผลเพราะผิดจากแนวทางที่เรียกวะสุวัตทาธรรมซึ่งตรัสไว้ไม่ชอบแล้วคำว่านิยานนิกระทามอานจะเป็นผลตอบแทนนั้นจะไม่สมความมุ่งของใจเพราะเหตุได้ตั้งไว้ไม่ถูกต้อง เมื่อเป็นเช่นนั้นหลักปฏิปทาเครื่องดําเนินของผู้ปฏิบัติธรรมะจึงถือเป็นสําคัญเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชและนักปฏิบัติด้วยแล้วให้คาดเคลื่อนไปโดยถือว่าเป็นของไม่สําคัญในปฏิบปทานนั้นจะเป็นเรื่องเลวแหลกแก่ตนเองนอกจากนั้นยังจะทําความเหลวแหลกให้คุณบุญจุฑาถ่ายหลังหายึดเอาหลักเอาเกณฑ์ไม่ได้หรี่หลักปฏิบปทาเครื่องดําเนินนี้โปรดได้สํำนึก ให้ถึงจิดถึงใจใถือว่าเป็นสิ่งสำคัญทุกๆด้านบรรณาปฏิปทาทั้งส่วนอยากส่วนกลางส่วนละเอียดทั้งเรื่องภายนอกและเรื่องภายในที่เกี่ยวกับตนผู้ปฏิบัติจะทำความสนใจและพยายามปฏิบัติให้ถูกต้องทุกแง่ทุกมุมตามหลักธรรมของพระองค์ท่าน่อ ง, งมรรคผลนิพพานนั้นไม่ต้องพูดถึง จะไม่เนือ้อนอกเหนื้อไปจากหลักเหตุอันดีนี่ได้เลยเพราะแม้พระพุทธเจ้าก็ไม่มีจากหลักเหตุที่บำเพ็ญโดยถูกต้องแล้วตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาสาวกก็ดำเนินตามนั้นที่เรียกว่าสุปฏิปนุญาติสามีก ด, ด้วนแล้วแต่หลักเหตุที่ถูกต้องทั้งนั้นผลจึงสแสดงขึ้นมาเป็นะะที่ท่านเรียกว่าอัตฐปุจจพุทโานี้เป็นต้น ผู้แหบุรุษีแยกออกเป็นบุคคลแปดคือโสดาปฏิมาโสดาปฏิผลนี้เป็นคุณสกิทาคามรมสกิทาคาผลนี้เป็นคุณอนนาคามรมอนนาคาผลนี้เป็นคุณอรหัตธรรมอรหัตผลนี่เป็นคุณนี่เรียกว่าเป็นคู่กู่เมื่อแยกออกแล้วก็เป็นแปดพุณธรรมเป็นของมีอยู่นั่งเดิย แล้วแต่ผู้ปฏิบัติจะสามารถปฏิบัติตนด้วยข้อปฏิบัตินั้นให้พอเหมาะสมแก่มรรคผลนั้นๆแค่ไหนมัง่งนี่ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ปฏิบัติไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำว่ามรรคผลนิพานหมดไปแล้วหรือว่ายังมีอยู่ถึงจะยังมีอยู่ถ้าปฏิบัติไม่ถูกก็ไมไ่รับผลอะไร เหลักเหตุตั้งไม่ถูกคำว่าหมดไปแล้วนั่นก็คือว่าเหตุหมดไปแล้วผลก็ต้องหมดแม้ครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงท้าชนอยู่แงประกาศาศาสนานด้วยเรื่องของมรรคผลนิพพานล้วนๆก็าตากแต่ผู้ที่เป็นโมฆะในมรรคผลนิพพานมีจํานวนไม่น้อยคําว่าโมฆะคือเปล่าประโยชน์เฉยๆในถ้ำกลางแห่งมรรคผลนิพพานนั่นแหละ แต่ไม่ปรากฏว่ามกอกผลมิาพานเป็นอย่างไรเพราะปฏิปทาเครื่องดำเนินของผู้นั้นไม่มีนี่ในวงแห่งท่านผู้มีปฏิปทาอันดีชอบทั้งหลายสำหรับเราไม่มีสิ่งนั้นจึงเรียกว่าหมดไปก็ได้ไม่ผิดแปลกเลถ้าปฏิปทาอันดียังมีอยู่หลักความจริงอันนี้จะทรงอยู่ตลอดกาลไม่มีเคลื่อนคาดไปไหนเลย เขาเรื่องกิดแกเกิตานี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสัจธรรมคือทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ทางนั้นถ้าผู้ปฏิบัติได้ไตรตรองตามหลักสัจธรรมที่ถูกต้องนี่แล้วผู้นั้นจะกลายเป็นผู้มีสัจธรรมขึ้นมาภายในใจสัจะทํามีอะไรมัง่งก็มีทุกข์สมุทัยนิโรธมักหนัดแต่ว่าอะไรมันก็เพราะมูลอยู่แล้วที่จะถึงความรับทุกข์โดยไม่เหลือคือนิโรธะ ดับทุกแล้วจะเป็นอะไรฮะไม่มีทุกอะไรที่จะตั้งอยู่ในจิตใจได้แล้วท่านเขาเรียกว่าเป็นนิพพานทุนถ้าจะให้ชื่อก็ชื่อว่าสอุ ป, อ ป, อ ป, อปะปาสิเสันนิพพานรู้นิพพานทั้งๆั้งที่ยังมีชีวิตอยู่พอธาตุขันธ์สลายตัวลงไปตามการของเขาแล้วก็เป็นอนุปาสิเสันนิพพานโดยสมบุกหมดความกังวลเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติรละหาธาตุขันธ์ต่อไป นี่เที่ยเบสุดเต็มที่ไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวกับขันหมดความกลางบกเนี่ยหลักปฏิปทาจึงเป็นสิ่งสำคัญ่ันดำเนินมาด้วยความถูกต้องอย่างนี้ครูอาจารย์ที่นำมาก็ท่านก็นำมาอย่างนั้นในครั้งพุทธกาลและถ่ายทอดมาถึงบรรดาสาวกท่านก็ดาเนินมาอย่างนั้น พวกเราต่างองต่างท่านก็แม้จะเป็นผู้น้อยในวันนี้แต่ก็จะอาจจะเป็นพระเถระในวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าก็ได้นี่โสดได้คําถึงหลักปฏิปทาให้เป็นหลักใจของเราอย่างนี้หากปฏิปทาได้เผไปเสียอย่างนี้เรื่องคําว่ามรรคผลนิพพานที่กําลังต้องต้องการอยู่ทุกๆขณะก็โรดได้ทราบว่าได้เผไปด้วยกันเพราะทั้งสองอย่างนี้ เป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องถึงกันมรรคผลจะแยกกันไม่ออกมรรคคือทางดําเนินที่ถูกต้องผลจะแสดงขึ้นมาโดยลําดับแห่งการดําเนินที่ถูกต้องแค่ไหนมีตัวให้รับสาร น, นี้ว่าให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างทําลงไปร้วนแล้วตั้งแต่เป็นมรรคประดิปทาเครื่องดําเนินเพื่อจะทําละซักฟอกสินมัวหมองภายในจิตใจของเราออกทั้งนั้นไมาว่าข้อวัดปฏิบัติส่วนอยากส่วนกวนลางส่วนละเอียด ว่าปฏิบัติตหลักพะุะวินัยและทำทุกขั้นนันแน่แต่เป็นการแก้จิตใจของเราซึ่งมีกิเลสเป็นเจ้าอำนาจและเจ้าเือนปกครองดงใจอย่นี้ให้ค่อยหมดสิ่งเหล่านี้ไปเป็นลาดับใจจะค่อยมีความผ่องใสกระแสะแห่งธรรมะจะได้ฉายแสงเข้าไปถึงจิตใจจะได้มีความหยือกเย็นทันว่ามรักว่าพ้นก็จะมีความยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะใจของเรามีกระแสะที่จะคอยรับอยู่แล้วด้วยอํานาจแห่งกระแสะทำได้ถึงใจ เนื่องจากพ่อปฏิบันดีนี่จึงรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่จะขัดแย้งในหลักธรรมของพระเจ้าเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือปฏิปทาถ้าเผยจากปฏิปทาที่ถูกต้องแล้วจะไม่มีอะไรปรากฏ เราผู้ปฏิบัติโตร ด, ดสำนึกให้ถึงใจริงทำไมจะนั่นจะกล่าวตูเมื่อผลมิฐานว่าไม่มีแต่จะลืมกล่าวตูเหตุทั้งตัวว่าไม่ดีจริงเนี่ยตอนนี้แล้วจะกลายเป็นโมคะบุรุษขึ้นมา ภายในตัวของเราโดยไม่รู้สึกจึงมีความสอดส่องแลนะแนะนำตักเตือนสังสอนหมู่คณะอยู่ตลอดเวลาก็เนื่องจากเห็นปฏิปทาเครื่องาำนินที่ถูกต้องนีเป็นสิ่งสาคัญ ม, มากในท่านนักบวดและนักปฏิบัติเพื่อนคาดกรงไหนที่บอกทันทีทีเดียว เหมือนกับเดินที่ปีกแย่ออกจากทางรีบให้เข้ามาหาทางที่ถูกยาปีกแล่ออกไปในทางที่ผิดนั้นให้เสียเวลาและผิดไปเรื่วยไม่เป็นประโยชน์อะไรและลำบากในการเดินทางเปล่าๆและขอให้เป็นนักสอดส่องนักตรวจรองดูวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ใช้สติปัญญาพิจิตรพิจารณาเรื่องความเคลื่อนไหวของกายวาจาใจของตน คือว่าเป็นผู้ดัดแปลงจุดที่บกพร่องด้วยความสังเกตดูแล้วปรับปรุงตัวเองนี่เป็นทางที่ถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกไม่เป็นสิ่งสำคัญเราเป็นพระอาศัยชาวบ้านเขาอยู่มีอะไรก็ไม่เป็นทางวนส่วนที่จะเป็นจุดที่สนใจอ ย, อย่างยิ่งคือทำอย่างไรจะปฏิบัติให้ถูก ทำอย่างไรปรัจฉินของเราจึงจะเยี่ยมสมาธิจะเยี่ยมปัญญาจะเยี่ยมบิดมุดจะปรากฏขึ้นมาด้วยอํานาจแห่ง ท, ทำเยี่ยมทั้งทำเยี่ยมทั้งสามประเภทนี้ให้สนใจตรงนี้อะไรจะขาดตกบกพร่องแต่บ้างให้ถือเป็นคติธรรมดาโลกก็ต้องมีบกพร่องครัวเรือนหนึ่งหนึ่งแม้จะว่ามีสมบูรณ์ก็ยังมีบกพร่องส่วนใดส่วนหนึ่ง ผู้มีจำนวนไปจำนว น, น้านล้านก็อาจจะบกพร่อง่องส่วนใดส่วนหนึ่งในครอบครัวอยู่นั่นแหละเพราะโลกนี้ไม่ใช่โลกที่สมบูรณ์มาจางไหนแต่ละแต่เป็นโลกที่มีความสมบูรณ์บกพร่องเกลียวปนกันไปเช่นนุ่มดุ่มดอนดอนเหมือนกับกลางคืนกับกลางวันมันสลับเปลี่ยนกันไปความบกพร่องและสมบูรณ์นี้จะไม่ต้องประหาโลกไหนคําว่าโลกแล้วต้องมีด้วยกันโลกทั้งสามนี้จะมีความสมบูรณ์และบกพร่องเช่นเดียวกัน แต่ผิดกันที่อย่าะเอียดเท่านั้ น, นส่วนที่เราจะสังเกตดูให้เป็นหลักใจสําคัญเพื่อได้คติเป็นประจําวันนั้นคือความบกพร่องของใจความบกพร่องของธรรมความบกพร่องของวินัยตรวจตรองเสมอนอกนั้นไม่สําคัญมีอำนาจของธรรมะ ถ้าเราได้นำมาปฏิบัติแล้วสามารถจะ่จะคุ้มครองกายวาจาใจของเราได้ไม่ให้พุ่งเฟ้อเห่อเฮิมไปตามสินมากก่ะกวนภายนอกมีกจิตใจเข้มแข็งทำอะไรก็ทำยิงทำจังโตรวทราบไว้ในหลักปฏิปทาเลื่อนำหนย นี่เป็นหลักสำคัญควองผู้จะบปฏิบัติศาสนาให้ถึงจุดหมายปลายทางโดยไม่ต้องตกค้างอยู่ในแหล่งแห่งพบแห่งชาติใดๆทั้งนั้นจงถือเข็มทิศทางเดินคือปฏิปทานนี้ให้แม่นยำอย่าให้พลาดไม่ต้องไปสนใจกับคำพูดของคนมีกิเลสจะเป็นเราเป็นท่านใครๆก็ต่าง ว่าเรื่องมรรคผลนิพพานหมดไปหรื อ, อยังมีอยู่ย่านํามาวินิจฉัยให้เสียเวลาเมื่อสวกหาตธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อยังมีอยู่ตราบใดเรายังได้ศึกษาอยู่ตราบใดด้วยสุปฏิปัปโนโนอุชุญะาาสายมิกิปฏิปัปโนโนอยู่ตรัสใดล้นั่นแหละเราจะเป็นเจ้าของแห่งมรรคผลนิพพานไม่มีใครจะมีอํานาจวาสนามาเสกสรรตัญ น, นยอเอามรรคผลนิพพานให้เราได้ ด้วยการตำหนิติดชมให้เราฟังเฉยโดยไม่ลงมือทาสำหรับผู้นำไม่มีใครที่จะเป็นคนแม่นยำและแน่นอนในคำสัตว์คำริง ค, คำถูกต้องเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจึงมีพระนามว่าเอกน า, ามมากินหนึ่งไม่มีสองคือความจับสรุของพระพุทธเจ้าและการจัดออกในทมใดๆท่าออกจากพระโอษฐ์จริงๆแล้วจะไม่มีผิดลาดไปเลยเนี่ย เป็นคำสัตย์คำจริงเป็นแบบฉบับของโลกได้โดยไม่มีอะไรขัดแยง้งเพราะเหตุไรเพราะจิตก็บริสุทธิ์เต็มที่ความการแสดงออกมาแห่งธรรมะก็ออกมาจากใจที่บริสุทธิ์ออกมาจากใจที่ถูกต้องภายในตัวเองโดยไม่มีอะไรผิดแล้วแม้แต่นิดหนึ่งธรรมะจึงกลายเป็นของสะอาดเป็นของถูกต้องไปตามๆกัน เนื่องจา ก, กจิตเป็นจิตที่ถูกต้องแสดงออกมาเนี่ยเป็นหลักของใจของโลกได้จะเป็นฆราวาสก็นําไปปฏิบัติได้ตามขั้นตามผูกของตุเห็นทันแยกประเภทเห็นธรรมออกเหนศีลเห่งธรรมออกไปศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองน้อยยี่เจ็ดธรรมก็ธรรมฆรวาสก็มีธรรมพระก็มีที่จะปฏิบัติตามฐานะของเราที่จะทําได้ีแยกประเภทออกล้วนแแีแยกออก เ่าจะออกจากสุขาตธรรมทั้งนั้นแล้วจะมีใครมั่งสามารถมาทำการแข่งขันพระพุทธเจ้าด้วยความรู้ความฉลาดความสัตย์ความจริงความมือสุดแล้วเราควรจะเชื่อใครบรรดาที่จิตที่มีกิเลส ด, ด้วยกันเราจะเลือกเชื่อเฉพาะสิ่งที่เชื่อแต่สิ่งไดจะเป็นภัยแก่ตัวของเราและเป็นมลทินแก่าศาสนาะแ้ว ก็ต้องปล่อยให้ผ่านไปผ่านไปาการนำมาวิพากษ์วิจารณ์ให้เสียวเวลามวลาก็เสียปยระโยชน์ตลอดธรรมดาคนที่ไม่รู้ก็ต้องพูดแบบสุม่มเดาคนที่รู้แล้วต้องพูดออกมาอย่างผงผางจริงจังอยู่ดูกิริยาท่าทางก็รู้คนที่ได้เห็นจริงๆได้ยินจริงๆมาพูดกับคนที่มาพูดแบบ ถุมเดาเรามองดูกิิยาก็พอรู้นี่มีใครบัางที่จะเป็นผู้สา ม, มารถมาเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าหรือแข่งขันพระพุทธเจ้าไปถ้าเป็นตัวแทนก็อย่างนี้เพราะตัวแทนนั้นเป็นการดาเนินถูกต้องตามหลักธรรมของมือเจ้าเหมือนอย่างสาวกเป็นตัวแทนการประกาศพระศาสนาให้คำสอนของพระเจ้าจะเดิญแพร่หลายไป แต่ผู้ที่จะมาทำการแข่งขันนี้เรามองเห็นใครมากในโลกนี้บรรดาใจที่มีกิเลสนี้เราจะควรถือเอาข้างไหนเป็นข้างหนักหรือข้างเบาควรเชื่อได้หรือไม่เชื่อได้ต้องนำมาวินิจฉัยผู้ปฏิบัติเพื่อเหตุผลผลต้องวินิจฉัยอย่างนี้มันสําคัญอยู่ที่การเรียนมากเรียนน้อยการผ่านปฏิบัติการปฏิบัติมามากมาน้อยแต่สาคัญอยู่ที่เหตุผลของผู้พูด พูดมีเหตุผลอันดีก็แสดงออกว่าออกมาจากหลักธรรมอันดีแม้จะไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสออกมาโดยพระโอษฐ์ก็ตามแต่หลักเหตุผลนั้นแหลคือธรรมของพระพุทธเจ้าถือเอาเป็นคติสอนใจได้ทันทีไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่หรือหญิงจะตายขอแต่พูดให้ถูกต้องตามหลักธรรมนั้นเป็นที่พอใจและยึดเอาได้ทันทีสําหรับผู้ต้องการมักต้องการอผลต้องการอัดธรรม คำพูดของพระพุทธเจ้ะเป็นที่รับรองได้อย่างเรามาต้องไปวินิจฉัยให้มากเดี๋ววําเวลาเรียนธรรมะมาถกเถียงธรรมะกันยิ่งกว่าสุนักกัดกันไม่มีเรียนธรรมะทาไมมาถกเถียงกันมีอย่างถกเถียงเพื่อเหตุเพื่อผลควงจัว่วนี่ถกเถียงด้วยทิฏฐิมานะอวดรูด้อวดฉลาดเลยกาเป็นเที่ยวเป็นฟันกัดกันไป มันผิด ก, กับะปรผสมของพระพุทธเจ้ายิ่งเป็นนักปฏิบัติไม่แล้วไม่น่าดูเลยมีเหตุผลเท่านั้นเป็นหลักที่สวยงามมากหากไม่มีครูมีอาจารย์พาดำเนินแนวทางที่ดีไว้พวกเราก็หาร่องรอยไม่ได้เหมือนกันนะนาการศึกษาเราเรียนมานั้น ได้ได้เรียนมาด้วยกันแต่ไม่มีผู้ที่จะทําเป็นกัปปิพยานมองเห็นด้วยหูได้ยินด้วยหูได้เห็นด้วยตาเนี่มันลําบากในการจะปฏิบัติเรียนธนว่ารทุง่งตรงทีสามเนี่ท่านทํำยังไงบ้างไม่รู้มีผู้พาธรรมก็รู้เดินจงกรมเดิยนยังไงไม่รู้นั่งสมาธิภาวนา น, นั่งยังไงไม่รู้ฮะจิตมีความสงบมีความเยือกเย็นยังไงไม่รู้ ปัญญาเกิดเกิดขึ้นในขณะไหนเกิดขึ้นอย่างไรปัญญามีกี่ประเภทพิจารณาอะไรบ้างถึงเรียกว่าปัญญาคกิือถึงเรียกว่าการพิจารณาด้วยปัญญาไม่รู้นี่ต้องอาศัยผู้ที่ท่านพาดําเนินทั้งนั้นเริ่มต้นตั้งแต่การปฏิบัตรรบิรับศีล ร, รับยังไงรับศีลทั้งกะรับให้ดูเดินยังกรมเดินยังไงทั้งเดินให้ดูทําข้อวัดปฏิบัติ แม่ที่สุดการล้างบาตรล้างยังไงเนี่ยไม่รู้นะถ้าไม่ศึกษาจริงจริการล้างบาทที่ให้ปลอดภัยแก่บาตและไม่เป็นอาบาต ท, ที่โทษแก่ตัวเองล้างยังไงมันจึงจะไมมีอ ม, มิตรภายในบาตรนะต้องล้างให้สะอาดล้างถึงสามน้ำเอาใบไม้หรืออะไรหรือมะพร้า เช็ดถัวให้เรียบร้อยล้างถึงสมน้าเป็นอย่าง น, อน้อยเช็ดให้แห้งนี่ต้องมีผู้พาำทำวิธีเก็บบาเดเจ็บยังไงก็ต้องมีผู้บอกอยู่แล้ว่อาศัยผู้พาท่เดินจังกลมเดินยังไงนี่ก็ท่านก็พาเดินให้เรารู้นั่งสมาธินั่งยังไงท่านก็อธิบายให้ฟังพานั่งให้ดูจิตมีความสงบเป็นยังไงท่านอธิบายเรื่องของท่านให้ฟังเลยนะ จิตสงบมันเป็นอย่างนั้นลักษณะของจิตสงบเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นท่านอธิบายให้เราฟังเรายังไม่รู้มันก็เข้าใจอเรายังไม่ไม่รู้เดินยังกรมเราก็เดินพราเห็นท่านเดินนั่งสมาธิเป็นไงแล้วก็นั่งตามที่ท่านสอนวิธีจิตมีความสงบยังไงท่านอธิบายให้ฟังเราก็รู้ตามเรื่องแล้วมาทําจิตของเราสงบยังไงเราก็รู้แล้วมีง่ายงอนยังไงบ้างพาเพียนให้ท่านทราบท่านอธิบายให้ฟังแก้ไขความขัดข้อง พันธะใจเราไปได้าเดินำดับเลยปัญญาพิจารณาปัญญาพิจารณาไงท่านอธิบายให้ฟังเพราะท่านเคยพิจารณามาแล้วปัญญามีแง่งอนยังไงบ้างที่จะแยกแยกออกไปสู่สภาวธรรมต่างๆทั้งภายนอกภายในท่านก็อธิบายให้ฟังปัญญาพิจารณาภายนอกเป็นยังไงพิจารณาภายในขันเป็นยังไงแล้วกระทั่งพิจารณาเข้าถึงจิตเป็นยังไงท่านอธิบายให้ฟังหมด กิเลสหรืออุปาทานมันหลุดร้อยออกจากสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องมาเป็นอย่างไรบ้างเพราะอํานาจของปัญญาท่านอธิบายให้เราฟังหมดผลสุดท้ายจิตหลุดพ้นหุดพ้นเพราะเหตุไรหลุดพ้นได้อย่างไรเราก็ได้ฟังจากท่านเพราะท่านเป็นอย่างนั้นนี่รู้ว่าแน่ตั้งแต่ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังที่เราศึกษามาตามตำหนักตำรานั้นผมยกขอบูชาไว้ท่านพูดเป็น ก, นกลางๆที่จะแยกแยะออกมา ให้เหมาะกับจิติจิตใจของบุคคลแต่ละคนแล้วคนในขณะนั้นๆ น, น, นี้มันเป็นการละหาดนอกจากกับให้เกิดความรู้ความเห็นด้วยข้ อ, ขอปฏิบัติตามหลักธรรมที่เรียนมาแล้วภายในจิตใจให้มันชัดขึ้นภายในใจแล้วเราจะไม่สงสัยว่าท่านกล่าวสมาธิไว้ในตําราเป็นอย่างไรสมาธิในใจของเรากับตํำราท่านกล่าวไว้ในตาําราปัญญาเป็นอย่างนั้นนั้นปัญญาของเราเป็นอย่างไรบ้าง เมื่อปัญญากเกิดสมาธิก็เกิดพนาใจวิ่งเข้าถึงกับ้นปรยิยัติกรงกันแป่งๆ เ, เ, เ, เ, เลยเราจะหาที่ขั้นได้ยังไงเพราะนั่นเป็นส่วนค้าทํารับรองไว้แล้วแต่เรามารู้จักนัยยะที่จะนำมาปฏิบัติตั ว, ตวเองเท่านั้นปัญญามีกี่ขั้นจะต้องทราบภายในตัวเองสิ่งแวดแล้อมมันมีความหยาบละละเอียดเข้าไปอย่างไรบ้างปัญญาจะต้องตามสอบตามรู้กัน แล้วก็ทราบปัญญาละเอียดภายในตัวเองนั่นแหละยังก็ทั่งไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจใถูกถอดถอนออกหมดด้วยอำนาจของปัญญาคำว่าวิมุตินั้นเราก็ให้ชื่อความหลุดลอยระหว่างกิเลสก็จิดออกจากกันอย่างไรบ้างนั่นเป็นที่แน่ใจสำหรับผู้ปฏิบัติเห็นได้ชัดจะว่าหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นมันก็มีปัญหาอะไรอันนี้เป็นคาพูดอันนี้ถึงอย่างนั้นท่านก็ น, นาอธิบายให้เราฟัง แล้วจะมีข้อของใจสงสัยที่ไหนทุกสิ่งทุกอย่างถ้าอธิบายให้เราฟังทุกด้านเลยหากเป็นต้องรู้ผู้ปฏิบัติพูดไม่ได้ไม่มีแม้แต่พระพเจกกับพุทธเจ้าจ่ว่าท่านรู้โดยจำพ่อเหมือนกับอะไรเหมือนกับฝันแบบงนี้ไม่ใช่ท่านรู้ชัดในสัจจะทั้งสี่แต่ท่านไม่ใช่เป็นผู้มีอำนาจวาสนาและไม่สนใจที่จะสั่งสอนโลกเท่านั้นพระพระเจกพุทธเจ้าจะเป็นคนบหวยางไง ต้องเป็นคนรู้ชาติธรรมอย่างสมบูรณ์ทีเดียวเต็มทุนของพุทธเพ่าพุทธพระเจกาพุท ธ, ทธไม่ใช่คนไม่ไม่ใช่คนหมดราคาแต่เป็นคนวิเศษประเภทหนึ่งต่างหากจากพุทธทั้งหลายมันไม่ใช่วิสัยของท่านที่จะสอนท่านไม่สอนเฉยๆท่านต้องรู้รู้อย่างชัดเจนถ้าจะทําไม่รู้อย่างชัดเจนจกักถึงนิพพานได้อย่างไงจะตัดทะลุเป็นพระเจ้พุทธได้อย่างไง รู้สัจธรรมเหมือนอย่างแบบแบบผีอ่ำนี่สัจะทําไม่ใช่ผีอ่มผู้ปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติแบบผีอ่ำรู้ธรรมะจะไปรู้แบบผีอ่ำได้อย่างไรสัจะทําเป็นของจริงการปฏิบัติสัจธรรมปฏิบัติด้วยความจริงตามสัหลักสัจะทํารู้ต้องรู้ตามสัจธรรมเป็นของจริงเช่นเดียวกันเมื่อตัดสู้ก็ต้องตัดสู้เต็มภูมิของพระบาเจกคือบริสุทธิ์เต็มที่นั่นท่านจะพูดไม่ได้ยังไงหลักความจริงของท่านมี เห็นอยู่รู้อยู่ปฏิบัติชัดเจนอยู่ภายในใจแต่ท่านไม่ใช่วิสัยของท่านที่จะไปหาสั่งสอนคนท่านไม่สอนเราจะเทียบไปยังโลกโลกเรานี้เขาพอเห็นได้เช่นครูไปสอนนักเรียนหนึ่งเราจะเข้าใจว่ามีความรู้วิชาเฉพาะพวกครูที่ไปสอนนักเรียนเท่านั้นหรือคนที่ไม่ได้สอนนักเรียนก็มีความรู้วิชามากและยิ่งกว่านครูนั่นก็ยังอาจจะมีจะว่างไงแต่ไม่ใช่หน้าที่ของเขาก็ไม่สอน อาจ า, ารย์บาหมาดคนที่เป็นครูหาความรู้ไม่ได้นั้นไม่ถูกเขามีความรู้เหมือนกันแต่แก้กขะแนงไปไม่รู้กี่คะแนนมีหน้าที่คนนัดทิพนัดทางหน้าขี่คนนขะแนงเนี่ยแต่ใคาจะดําเนินไปนั่นมีเรื่องพระพเจกก็เหมือนกันไม่ใช่ท่านเป็นพระพเจกขี่อำ่ำเป็นพระพเจกอย่างเต็มภูมิรู้ทันจะอย่างเต็มภูมิ บริสุทธิ์อย่างเต็มภูมิแต่ให้ชื่อท่านว่ า, าพระปัจเจกท่านรู้เฉพาะคือไม่ต้องไปศึกษาจากใครหลักธรรมชาติคือสัจธรรมนี้มีมอยู่ภายในตัวของท่านท่านพิจารณาลู้ชัดในที่นี้ตัสรู้ขึ้นที่นี่เรียกว่าปัจเจกะรู้เฉพาะนั่นไม่ต้องอาศัยใครมาสั่งสอนท่านเพราะสัจธรรมนี้เป็นของที่มีอยู่ดั้งเดิมแต่เราไม่สามาร ถ, ถนั้นน่ะรักสาวกเึิ่ต้องอาศาาัยการสนับสนุนจากพระพุทธเจ้าและมาปฏิบัติตนเอง บทเวลาจะรู้กับเป็นปัจเจกะปัจเจกะเหมือนกันคือรู้ขึ้นเฉพาะตัวเองเหมือนกันแต่อาศัยพรทธเจ้าเป็นเป็นแนวทางเวลาเวลาจะรู้จริงๆพระพุทธเจ้าไม่มาเปิดแต่จะทำบอกให้เป็นเรื่องของสา ว, วกท่านเปิดทั้งทง ท, งท่านเองเพียงจะเอาแง่จากข้ออ่านข้อธรรมของพระพุทธเจ้ามาพิจารณาแล้วก็ปฏิบัติโดยลำพังตัเองก็รู้ขึ้นมาเฉพาะไม่อย่างนั้นจะเรียกว่าสันทิฏิโกได้อย่างไง ร, รู้เองเห็นเองก็เหมือนกันกับว่าปัจเจกกะที่รู้เฉพาะรู้เองเห็นเองไม่มีใครมารู้ให้ไม่มีใครมาเห็นให้นี่ แต่ท่านไม่มี อ, อมิสัยในทางที่จะสั่งสอนโลกท่านไม่สนใจเท่านั้นเองไม่ใช่ท่านเป็นแบบขี้อาำพิวาน้นจริงอยู่อย่างนั้นเก่ามาถึงเรื่องการปฏิบัติต้องมีครูมีอาจารย์เป็นผู้พาทาเป็นหลักสำคัญ นี่ต่อไปก็คุณบตชสุดท้ายภายหลังถ้าไม่ได้ยึดจากหลักปฏิบัติอันดีของพวกเรานี้แล้วจะให้อาศัยอะไรนี่เป็นหลักสําคัญไม่มีใครพาดําเนินเดินไปเลยแล้วใช้ท่านเหล่านั้นเดินไปอย่างองอาจกรหารรู้ชอบเห็นชอบปฏิบัติชอบโดยลาพังตัวเองนั้นมันหาได้ยากต้องอาศัยผู้มีผู้พาดําเนินพาเดินไปก่อนทำอะไรก็เห็นพูดอะไรก็รู้ได้ยินแล้วก็นําไปพูดปฏิบัติ อย่างที่ครูอาจารย์พานำเรามาโดยลาดับลาดับอย่างนี้ปฏิปทาที่ที่ถูกต้องเนี่ยแต่รัฐท่า น, ท, านท่านนำได้ไปเป็นมรดกแต่ตนเองแล้วยังจะแตกกิ่งแตกแขนงออกไปให้คุณบุตรสุท้าถัดหลังสืบออกไปเป็นจำนวนไม่น้อยเนื่องจากข้อปฏิบัติอันดีนี้เพราะฉะนั้นตัวได้ทำความสนใจกับปฏิปทาเครื่องดาเนินที่ดีและยึดหลักนี้ไว้ให้ดีเป็นสิริมงคลของ นักบวชและนักปฏิบัติเราอย่าให้เคลื่อนขาดนี่คือเป็นธรรมะเป็นคือเครื่องประดับธรรมะเราให้งามปฏิบัติคาเครื่องดำเนินที่ดีที่ชอบนี่แลเป็นอมมาลังการเครื่องประดับโดยความสม่ําเสมอรื่นเริงภายในจิตใจเย็นหูเย็นตาทั้งผู้ที่ได้เห็นได้ยินทั้งเย็นใจตัวเองผู้ปฏิบัติถูกต้องอยาจะเป็นผู้ศึกษาศาสนาให้จเจริญรุ่งเรืองขึ้นไป ถึงกุฎบุตสุดท้ายภาหลังจะได้ถือเป็นคติตัวอย่างอันดีนะจะมีคนดีไปเรื่อยๆรืเนื่องจากปฏิ ป, ป, ปทาที่ดีซึ่งต่างท่านก่นต่างนิงยดไปแจกจ่ายซึ่งกนันและกันมันแนวสามแห่งธรรมนี้ก็เห็นว่าสมควรเจิเวลาจึงขอยุติเพียงเท่านี้